ขออนุมโมทนากับญาติโยมทั้งหลายนะที่ไปฟังพระเวสสันดรด้วยกันเนี่ยนะมันก็ถือว่าได้อุปนิสัยจากพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะการให้ทานทั้งหลายทานนั้นเป็นเสเบียงเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเนี่ยนะเป็นที่อาศัยที่มีกําลังของผู้ที่เดินทางไกลไปในวัตฏะอันถ้าหากว่าเราไม่ประมาทในทาน อาศัยในทานนี่แหละเป็นพื้นฐานเป็นสเสบียงทางแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นขอบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญ น, นี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อตรัสรู้อริยรสัจธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกคนทุกท่านก็ขออนุมโมทนา อันนั้นเดี๋ยวกวดน้ำกันไหนก็ได้นะอิธิตังปฏิตังตุมหังคออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกีปะเมวสมัสเมชตูจงสำเร็จโดยชาพลันสาเ พ, พปเรนตูสังกปาขอความดำรจทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยทัทถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญ มหินิชโชติระโซยัตถาเหมือนแก้วมณีนิอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิโยวิวัชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพารโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพิวาธนาซีเลสนิจังวุธาปจายิโนจะตาโรธรร ม, มาวัทันติอายุวนโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันณาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเอตภวะตัสา พ, พมังขัง ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคั่นตุสะพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมมานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังคานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิพระวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งลหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน